เอกคตามีกายเป็นหนึ่งรู้สึกกายเพื่อนไหวไปมามันก็มีสิ่งที่ผ่านมาพ้นไปหลายอย่างถ้ามีสติเปในกายรู้สึกตัวอยู่หนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันหวันเหมือนพระพุทธเจ้าตัดตะไว้ผู้ใดมีสติเปในกายอย่างต่อเนื่องเกิดอันกนสงสองประการ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 S 1> <S 1> <S เขาไม่เอาความหลงลกมันเปืดเปื่อยถ้าหลงเทใดเราก็เปืดเปื่อยหลงไปในความคิดก็ดีเปิดเปื่อยจิตหลงไปในทางกายก็เปิดเปือยกายความรู้เป็นเครื่องประดับความรู้สึกตัวเป็นเครื่องประดับชีวิตเรามันต้องมีอาภรคือความรู้สึกตัวเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับถ้าคนไม่มีสติเ ข, เขาอยู่กับความหลงได้เฉยเมยอยู่กับความโกรธได้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 กำมือเดียวจริงๆพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบสอนพิกษุในครั้งหนึ่งพระองค์พาพิกสุเดินผ่านป่าใหญ่ป่าปรอดูลายนะป่าปอดูลายแล้วก็มาปลูกไปหน้ากติจารกับผลซื่อมาต้นละหลายร้อยบาทเขาซื้อมาให้พระองค์ก็จับใบไม้ขึ้นมากำมือเดียวโชว์ให้พิกสุดูนี่พิกษุทั้งหลาย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 เห็นมันอยู่นี่แหละดูอยู่นี่แหละมักคือดูตาในดูอะไรมันเกิดขึ้นดูลู้แล้วถ้าได้เห็นแล้วก็ได้คำตอบหลุดพ้นตรงนั้นถ้าเห็นเราก็หลุดพ้นตรงนั้นเหมือนตาที่เราเห็นเห็นงูก็ไม่ถูกงูกัด้าเห็นแล้วเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เห็นได้ตาเป็นตาเนื้อนะใช่ตาให้สำเร็จประโยชน์เดินทาง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 มันก็จะไปเห็นเห็นรูปเห็นนามเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามมันก็มีเรื่องเดียวชีวิตของเรามันฉายให้เราดูอยู่ความหล ง, ล ง, งความเกีียข้างกี่หนนความรักความชังความโกรธความทุกข์มันกลียดข้งเกลียนแต่เราได้เห็นแต่ก่อนเราไม่ได้เห็นนะเรอไม่ได้เห็นมันก็ควอมงามเราได้เราก็มีรสชาติแต่ถ้าเราดูจริงๆเนี่เราจะจืดได้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 ความหลงก็อันเดียวคือความหลงมันก็หลงจนตายความรักความชังอันเดียวนั่นแหละมันก็รักก็ชังจนตายบางอย่างของอย่างเดียวรักของอย่างเดียวชังบางอย่างของอย่างเดียวยินดีของอย่างเดียวยินไล่มันเปลี่ยนใจเราแล้วแต่เราจะสมมุติเราไปสมมุติเอาเป็นครั่งเป็นข่าวบัญญัติเอาเป็นคลั่งเป็นข่าวมันก็จะเลินไปในทางโลกโลกมันก็ไม่ลดชาติ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 สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันวิกิตรการดุดราดชะลุดที่คนของห ม, มกอยู่คนเข่าคือคนโง่หมกอยู่โจมอยู่ผู้มีปัญญาหาข้องอยู่ไม่ไม่ข้องอยู่ผู้มีปัญญามุกอยู่กับความหลงหมกอยู่กับความโกรธหมกอยู่กับความทุกข์หมกอยู่กับความลักความชังจาระพัดจางมันเป็นผู้เป็นชาติ มันครอบงำชีวิตจิตใจของเราอย่นี่นะทำไมเราจะไม่ต้องปฏิบัติแต่มองดูแล้วโอ้มันก็เสียเวลานะเสียเวลาไปกับความหลงเสียเวลาไปกับความทุกข์เสียเวลาไปกับความสุขมันก็สิ้นเปลืองเหมือนกันนะมันสิ้นเปลือกสิ้นเปลืองพลังของชีวิตเช่นความคิดจากที่ก็สิ้นเปลืองนะคิดมากๆในสิ้นเปืองนะน่าเีดเลยละ่ะ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 ไม่เป็นไรบางทีก็พูดในใจเ อ, อช่าง ม, มันเถ อ, อะแล้วก็แล้วไปรักโกรธกันแล้วคืนดีกันก็ได้ทำก็ยังรักษาคนเราอยู่แต่ว่าเราไม่ให้โอกาสเท่าที่ควรทำก็ยังรักษาผู้ประพฤติทำอยู่บัดนี้เรามามีโดยตรงมีหน้าที่โดยตรงให้โอกาสแก่ทำให้ความเป็นธรรมต่อธรรมถ้าเราไม่เจริญเศรษกายก็เบียดเบียนใจ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 ใชใ่เกิดความสงสารใช่ให้เกิดเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเราใช่กายใช่ใจผิดๆนันก็เป็นพูดต่อชีวิตคิดใจเราทัลายตัวเราแล้วก็ทัลายคนอื่นไปด้วยมีปัญหาเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะเราใช่กายใช่ใจไม่เป็นโลนวุ่นวายซับสน้นหน้าบูดหน้าเบื่องเครียดพูดตกไปก็